ปบั t นี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งขันทั้งห้าประการที่ตกอยู่ในกฎของพระไตยลักษณ์ที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสรุปไว้โดยนัยยะหนึ่งว่า เมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารตั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อบหน่ายในทุกขนี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารตั้งหลายว่าเป็นทุกขเมื่อนั้นย่อบหน่ายในทุกขนี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลมาเห็นธรรมตั้งหลายว่าเป็นนัตตา เมื่อ น, นั้นย่อบน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความาปวดจุดจะพระพุทธธรรมรัตรที่จัดไว้เพียงสี่บเพียงหกบรรทัดนั้นเยนว่าข้อปฏิบัติแต่ละชุดต่เริ่มต้นในการเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีหรือเป็นอนาัตตาก็ดีนั้นในภาคของการปฏิบัติแล้วก็อยู่ที่จุดเริ่มต้น คือจะเริ่มต้นที่ยกเอาขันทั้ง5้าคือพิจารณาในแง่ของความปิดทุกก็ได้พิจารณาในแง่ของความไม่เที่ยงก็ได้พิจารณาในแง่ของความเป็นอนัตตาก็ได้การพิจารณาโดยในยะนี้จะทำให้จิตใจของบุคคลหลุดพ้นในลักษณะที่แตกต่างกันโดยชื่อที่แตกต่างกันแต่โดยเนื้อหาแล้วก็จะเหมือนกันเช่น ผู้ที่จะเจริญจเจริญมาทางอานิจจตาคือมองเห็นในแง่ของความไม่เที่ยงทาง่านก็เรียกว่าอ น, นิมิตตวิโมกข์คือหานิมิตหาเครื่องหมายไม่ได้จิตใจก็จะหลุดพ้นด้วยการมองเห็นสัตว์มองเห็นสังขารทั้งหลายว่าหานิมิตหาเครื่องหมายอะไรไม่ได้เพราะเป็นกระบวนการกอนธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหลกันไปเรื่อย ถ้าหากว่าเริ่มต้นที่ทุกตาคือมองเห็นในแง่ของความเป็นทุกข์ได้ก่อนแล้วก็จิตใจหลุดพ้นจากการปฏิบัติไปตามลำดับท่านเรียกว่าอปาณิสิตาวิโมกคือหาที่ตั้งของสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะความยั่งยืนความเทียงแท้แน่นอนของสัตว์และสังขารตั้งหลายนั้นไม่มีแต่ถ้าเริ่มต้นที่ การมองเห็นในด้านของอนัตตก่อนท่าก็เรียกว่าสุญญาตาวิโมกข์คือจิตที่หลุดพ้นได้เพราะการมองเห็นความว่างเปล่าจากสัตว์จากสังขารหรือจากตนจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนแต่เมื่อเห็นก็ใดข้อหนึ่งแล้วก็ชื่อว่าเห็นในข้ออื่นตามไปการที่ทรงแสดงโดยนัยนี้ก็เพื่อ ให้สอบครองกับพื้นฐานของท่านเหล่านั้นเพราท่านได้สะสมอบรมมาในเรื่องอะไรมากสามารถรับรู้จากจุดไหนได้ก่อนก็จะสอนจากจุดนั้นทำนองใ ก, กล้ๆกับคนที่จะเข้าไปสู่สถานที่ใดที่หนึ่งเขาก็มาจากทิศที่บ้านเขาอยู่ การเข้าสู่สถานที่นั้นอาจจะเข้ามาคนละทิตกันแต่เมื่อถึงสถานที่นั้นก็จะเป็นสถานที่เดียวกันผลของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นในชั้นนี้จุดเน้นจริงๆท่านเรียกว่าเป็นไปเพื่อ น, นิพิทาคือความหน่ายคลายจากความยึดความติดด้วยอำนาจความรักความชัง ในกลุ่มของการห้าเวลาเกาะกลุ่มรวมกันอยู่ที่กำหนดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นมิตรเป็นศัตรูใจเราก็จะแกว่งไปเดื่อาๆของความรักความชังอยู่เรื่อยๆมีบ้างบางอารมณ์ที่สามารถทำใจเป็นกลางๆได้ในเมื่อไม่มีการกำหนดในแนวรักและแนวชังแต่ชีวิตส่วนใหญ่ก็จะแกว่งไปที่ความรักความชัง การศึกษาการพินิพิจนาจึงต้องมองเห็นสิ่งเหล่านั้นในแง่ของความเป็นประ์ดังกรและการมองในแนวนี้เป็นสังเกตว่าแม้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ต่านเรียกว่าปรมัตธรรมแยกออกไปเป็นสี่ประการคือจิตเจตสิกรูปนิพัน์ที่จริงแล้วก็คือเรื่อง ที่สืบเนื่องไปจากขัดท่าเนี่ยเองจิตก็คือวิญญาณที่มีการจำแนกออกไปโดยอาการปรุงแต่งของเจตสิก ค, คือกุศลอกุศลและสิ่งที่เป็นกลางแลาวก็จะแนกนับออกไปเป็นร้อยดวงเป็นร้อยกว่าดวงร้อยยี่สิบเอดวงแล้วก็คือจิต ส่วนเจตสิกก็คือพวกเวทนาพวกสัญญาพวกสังขารนิพพานก็คือจิตที่ปราศจากกิเลสเป็นเครื่องปรุงแต่งแต่เวลาเรียกทานเรียกว่าโลกุตระกุศลหรือโลกุตระจิตหมายความว่าจิตในขณะนั้นมีกุศลและธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่ง เกิดขึ้นตั้งอยู่มีอารมณ์เกี่ยวข้องอยู่กับกุศลนธรรมเหล่านั้นจะเป็นการเกี่ยวข้องที่ตาบด์เรองการเรียนการศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงมีความเชื่อมโยงอยู่กับขันธ์ห้าตลอดไปแม้ในหลักของอริสัตยสี่ก็คงไป็เรื่องของขันธ์ตั้งห้าประกัน เขีนว่าทุกข์ัตริย์นั้นย่อมเกิดขึ้นโดยเฉพาะแก่รูปแก่เวทนาแก่สัญญาแก่สังขารนะกแก่วิญญาณทาั้งหลายสมุทัยนั้นก็คือสังขารที่เป็นอกุศลนิโรธก็คือจิตที่ปราศจากสังขารเครื่องปรุงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่เป็นอกุศลมรรคก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าสังขารนั่นเอง แต่ก็เน้นไปในฝวายของกุศลทำให้าาจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างนี้ตอนั้นเมื่อกระทบตรงใดตรงหนึ่งแล้วก็จะมีการกระเตือนถึงกันทั้งด้านบวกและด้านลบในควายกุศลเขาก็กระเตือนถึงกันแล้วก็เพิ่มพูดมากกิ่งขึ้นในขณะเดียวกันอ ก, กุศลที่สมกันข้ามกับเขาก็ต้องเสื่อมลงไปโดย ด, ำดำํางดังเช่นศรัทธามัาเกิดขึ้น ปริมาณศรัทธาสูงขึ้นเท่าไหร่นั้นกิเลสก็จะจางไปจากจิตโดยลําดับเริ่มไปจากความไม่เชื่อไปสู่ความเครีอดแปรสงสัยไปสู่กามาฉันคือจิตที่เหนวนึกตึกนึกถึงสิ่งที่ตัวใคร่ด้วยหน้าของความใคร่และเมื่อพลังเขาศรัทธามีความเต็มบริบูรณ์นั้นจะทําหน้าที่กรจัดตัณหาออกไปจากใจ ซึ่งท่านสาธุชนคงจะเคยได้ยินข้อความที่ท่านส่งแสดงไว้ว่าบุคคลจะข้ามอกฆะห้งน้ําคือกิเลสได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาซึ่งก็หมายความว่าปริมาณของศรัทธาแม้เพียงข้อเดียวที่มีกําลังสูงขึ้นโดยลาดับนั้นก็จะกำจัดกิเลสในแต่ละกลุ่มให้ออกไปโดยลาดับเราดูแล้วเป็นเรื่องการกำจัดกิเลสสายโลภะกับสายโทสะ แต่ถ้ามองอีกทีหนึ่งว่าจิตใจที่เรามีศรัทธาในบุคคลใดแม้บุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมการกระทําที่สร้างความไม่พอใจใเกิดขึ้นกัเราบางขณะแต่ตราบใดที่ใจยังมีศรัทธาต่อท่านอยู่ความโกรธก็จะไม่บังเกิดขึ้นดังนั้นแม้ความโกรธก็ถูกสงบไปด้วยกําลังของศรัทธาที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นภายในจิตใจของบุคคล เฉพาะในที่นี้ทรงใช้คําว่าเห็นคือปสตินั้นการเห็นเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เจี่ยงเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมจะหน่ายในความทุกข์คำว่าเห็นในที่นี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาปินิพิจารณา ยการยกสังขารเหล่านั้นขึ้นมาตรวจสอบเทียบเคียงกับหลักที่เรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเว น, นัตตาอย่างที่ทรงแสดงไว้โดยการพิจารณานั้นผึ้สังเกตว่าโดยหลักการปฏิบัติแล้วจะเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมองรวดเดียวครบทุกข้อแม้ในสายสายของทุกขสัจ จะมองในแง่ของความเป็นปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมาประกอบมาประชุมกันข้าวคนบางคนอาจจะมองแค่กอกล้วยเพียงกอเดียวอาจจะนั่งปอกกลับกล้วยไปพิจารณาไปก่อนที่จะเริ่มปอกกลับกล้วยนั้นก็มีความเป็นกอกล้วยอยู่พอกออกไปทีละกาทีละกาทีละกาทีละกาในสุดก็หากอกล้วยไม่เจอ ระออยะที่ทรงสอนให้มองแม้ในร้านตลาดต่างๆไปซื้อเนื้อโคเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรต่างๆที่ต้นแยกจ้อยออกไปที่จริงมันเป็นเนื้อไม่เป็นโคไม่เป็นสุกรแตเป็นสัตว์เหล่านั้นหาความเป็นโคเป็นสุกรไม่ได้เพราะมีการจําแนแกแยกๆออกไปหมดแล้วก็มองย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่จะถูกแบ่งแยก กยจะว่าก่อนที่จะแบ่งแยกนั้นก็คือการที่สิ่งเหล่านี้ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ตามสัดส่วนของตัวเองการสมมติบัญญัติว่าคนว่าสัตว์ว่าโคว่าสุกรก็บังเกิดขึ้นแต่พอย่อยไปแล้วมันก็หาไม่เจอหากดาาูหาสธานสุกรไม่เจอแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย ที่เป็นภายในบ้างภายนอกบ้างที่เป็นรูปธรรมบ้างที่เป็นนามธรรมบ้างเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะดำรงอยู่แปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยจนถึงก็แตกดับไปตามเหตุตามปัจจัยหรือแม้แต่จะมองในแนวของอนาตาัตตก็มีลักษณะอย่างนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอนัตตาในความหมายที่กล่าวไว้เมื่อวันก่อนนั้น อันที่จริงแล้วเป็นการดึงมาจากที่ต่างๆพวาะความาามายคาว่าอนาัตตนั้นทรงแสดงไว้อย่างไรในที่ไหนบ้างแล้วก็ไปนำมาอธิบายไว้ทั้งหมดแต่ตอนที่พระเจ้าทรงสอนจริงๆไม่ได้สอนทั้งหมดทีเดียวอย่างนั้นก็ทรงมองดูว่าคนเหล่านี้สามารถเข้าใจคำว่าอนัตตาโดยในยา่าใดก็จะทรงเน้นโดยในย่นั้น เจตีทรงแสดงแก่ท่านปัญญวคีนั้นจะทรงแสดงในลักษณะที่คันทั้งห้านั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นไปแก่ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของแก่เราต้องการอย่างหนึ่งแต่ก็เป็นแกเป็นไปของแก่อย่างหนึ่งแสดงเห็นว่าเราไม่ได้บังคับบัญชาเขาได้ไม่สามารถบังคับบัญชาอะไร บอกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลาดพลากะไม่สูญเสียไม่เสื่อมสลายไปเป็นต้นมันก็บังคับอะไรก็ไม่ได้แต่จะแสดงเพียงในยัดเดียวนี้เองพระปบัญญัีเมื่อศึกษาเมื่อพิจารณาตามที่ส่งแสดงเอาไว้ท่านก็เห็นถึงอนิจจังเห็นถึงทุกขังที่มีปรากฏอยู่ในขันทั้ห้าระกัน โดยมีจุดเริ่มต้นศึกษาจากอนัตตาแต่เห็นอนิจจังเห็นทุกขงังเดี๋ยวท่านบางท่านอาจจะเริ่มที่ทุ ก, ททกขังอย่างที่ว่าแล้วก็เริ่มที่ทุกอย่างที่ว่าแล้วมันก็จะมีการรู้เห็นในสิ่งที่เป็นอนัตตาเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังตามไปด้วยในพระบาลีนั้นท่านมีบทกำหนดให้บุคคลสาธยายในลันกษณะคล้ายๆกับสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังคุณ แต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นสาธยายแล้วจิตจะมีความศรัทธาเรื่องใสมีความผ่องใสมีความสงบอยู่ที่บทนั้นๆแต่การสาธยายแนวนี้เป็นการสาธยายไปเพื่อใจสงบแล้วใช้ปัญญาพิจารณาตามไปว่าเป็นจริงตามที่สันแสดงไว้หรือไม่ซึ่งแน่นอนคนจะต้องเข้าใจว่าบทที่นำมาสาธยายนั้นแปลว่าอย่างไง เวลาสาธยายท่านจึงสอนให้สาธยายทั้งคำบาลีแลวครับไทยเช่นว่ารูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เทีย่ยงยะตานิจังตังดุข้างรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์อย่างดุข้างตังอนัตตารูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนญาดานตาตังเนตังมามะเนโซมัสมินะเมะโซเมตตา รูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ส่งสอนนายกขึ้นมาปิดนิพินาโดยนัยเดียวกันคนนี้เพื่อสังเกตว่าเป็นการเริ่มจากอานิจจ์แต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็ต้องไม่เทีย่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกนั้นสิ่งนั้นก็ต้องเป็นอนัตตาไปด้วย แต่เนื่องจากอนัตตามีขอบข่ายที่กว้างไกลกว่าอนิจังทุกครั้งเพราะแม้นิพานเองก็เป็นอนัตตาแต่นิพานเองไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นทุกขครังเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงชช้คําว่าธรรมหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายอาจจะเป็นนามธรรมก็ได้รูปธรรมก็ได้สังขารก็ได้แม้จะวิสังขารก็ได้แต่ก็ตกอยู่ในโกฎของอนัตตา คือความเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตัวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลก็จะมองกลับไปถึงกลุ่มของก อ, องทุกข์ที่เราเรียวกว่าทุกข์กับขันคือกองทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มาเกาะคุมกันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกองทุกข์โดยมีหัวหอกใหญ่ของความทุกข์อยู่ที่ความเกิด ตนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่าคนพอใจชอบใจในความเกิดดีใจปลื้มใจเวลามีลูกหลานเกิดหรือพัญยาของตัวเองเกิดมาก็จะมีความชื่นชมเฉลิมฉลองกันมัะถ้าจิตใจยังพอใจยินดีในความเกิดมันก็เป็นวัตฏะอยู่เรื่อยโดยการบุนวนอยู่ในสังสารวัฏไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมมันก็เป็นวั ต, ตะ แล้วแสดงว่าเมื่อมีกิเลสเราก็ต้องทํากรรมทํากรรมแล้วก็รับผลของกรรมแต่ผลของกรรมแล้วมันก็เกิดขึ้นมาได้อีกมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้เพราะงั้นจุดเบื่อหนายที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นจะต้องมองไปในแง่ของเหตุปัจจัยที่นําความทุกข์ในระดับต่างๆมาให้คือตัวเหตุหลักที่นําความทุกข์มาให้ ที่เราสวดกันว่าชาติปิตุกขาเจราญปีตุข า, า, ขามานำไปทุกขังชาติความเกิดเป็นทุกข์เจราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์เป็นการแสดงเห็นว่าความแก่ก็ดีความตายก็ดีตลอดถึงช่วงระหว่างแก่กับตายตั้งเกิดถึงตายที่ประสบด้วยความทุกข์ในลักษณะต่างๆแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่านิพพตันทุกข์คือทุกข์ตลอดเพียงแต่มันจะมากหรือจะน้อยแต่นั้นเด็ นั่นคืออะไรคือหนาวคือร้อนคือหิวคือกระหายคือปวดอุจจาระปวดปัสสาวะคือง่วงนอนแล้วก็ไหลเข้าสู่แก่เจ็บตายเพรานี้เป็นสิ่งที่เกิดแก่ชีวิตของบุคคลเราอยู่ทุกขณะการบริหารขันบริหารชีวิตเพื่อจะบรรเทาวความทุกข์เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเกิดมาชาติหนึ่งเราก็แก้ปัญหาเรื่องเขาอยู่นี่แหละสิบอย่างด้วยกัน ดังนั้นเมื่อบุคคลได้มองพิจารณาเห็นว่าชีวิตมันเกิดมาแล้วมันไหลสู่กระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดจึงจะทำให้เกิดนายในความทุกข์แต่การมองนั้นเพิ่งสังเกตว่าอาจจะมองในจุดอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมองในจุดนั้นเสมอไปเป็นเรื่องของพระเตมีโพธิสัตว์ที่ท่านมองเห็นทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากความเกิด โดยท่านมองไปที่สังสารทุกข์การเกิดมาถึงท่านระลึกชาติได้ก็รู้ว่าตนต้องเกิดมาในราชวังที่ตนเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินดิบและจากเป็นพระเจ้าแผ่นดินในชาติก่อนๆโน้นนานมาแล้วเนี่ยหลังจากที่วงคตไปแล้วก็ตกนรกเพราะว่าไปทําบาปทํากามไป ม, มาก มีการฆ่าทำลายจัตุรัมีการฆ่าทำลายนักโทษมีการเบียดเบียรรนราษฎรสารพัดตามหน้าที่การงานของท่านที่จะต้องทําเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องเป็นประราชาในชาตินิยมวงจรชีวิตมันก็หมุนกลับที่เดิมคือหลังจากที่วงโตษไปแล้วแท น, นที่จะอยู่ดีมีสุขกว่าการเป็นประราชาชนกลับตกนรกไปไลย นี้แสดงเห็นว่าเป็นการเบื่อหน่ายในตัวสังสารทุกข์ซึ่งแน่นอนสืบเนื่องมาจากความเกิดแต่ความเกิดนั้นมาสืบเนื่องมาจากกรรมที่ท่านจะต้องกระทำกรรมนั้นสืบเนื่องมาจากกิเลสซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวผลักดันให้ท่านต้องกระทำกรรมในลักษณะนั้นท่านก็มองเห็นเป็นวงจรท่านจะเห็นว่ามองเห็นเป็นวงจรก็คือกิเลสเป็นเหตุทำกรรม ทำการ ร, รับผลของกรรมถ้าผล ก, กรรมกิเลสเกิดอีกก็ทำกรรมอีก่รกระผลกรรมอิ่มมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้กลายเป็นวัฏตะคือเรียกว่าวนทั้งสามไปกันพระเตมีโพธิสัตว์ท่านเบื่อหน่ายในจุดนี้แต่เป็นการมองย้อนกลับไปสู่อดีตไม่ใช่มองที่ปัจจุบันเพราะปัจุบันท่านเพิ่งเกิดมองมองย้อนสู่อดีตก็เห็นเป็นโกงเป็นโกลงล้อที่หมุนกันประจากกิเลส ข, ของท่านเนี่ยเป็นเลยแล้วท่านต้องทำกรรม ตามหน้าที่ของความเป็นประชาเพราะทํากรรมแล้วทั้งรับผลของกรรมทั้งแต่ก่อนจะถึงวงโคตไปแล้วก็หลังจะถึงวงโคตไปก็ตกนรกอยู่นานแล้วก็หมุนกลับมาที่เดิมอีกแล้ถ้าหากว่าจะต้องเป็นอย่างเดิมวงจร น, นั้นก็จะหมุนไปตามเดิมซึ่งแน่นอนว่าจบลงด้วยความทุกข์ในอบายท่านก็หาวิธีที่ทําคนเป็นทำตนเป็นบ้ายอย่างที่ทราบกัน ด้า น, นการนายในความทุกข์นั้นอาจจะมองที่ตัวความเกิดก็ได้ที่ตัวความแก่ก็ได้มองเห็นสังขารร่างกายที่มีความเปลี่ยนแปลงแปรผันไปจมรุดทุดโสมไปด้วยก า, ารต่างๆแล้วก็ย้อนกลับไปสู่อดีตเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงขึนมาเรื่อยๆแล้วก็ไปจับที่ตัวเกิดอีกได้ เอาก็จริงแล้วแก่เหล่านี้ที่ยิมก็มาจากเกิดเกิดนั้นก็มาจากกิเลสเพราะจากกิเลสนั่นเองเป็นเหตุให้เราทำกรร ม, ม เ, พรเพราะกิเลสกับกรรมมารวมกันก็สร้างพบสร้างจาตสร้างปปดดปเป็นป ฏ, ฏิสนธิวิญ ญ, ญาณขึ้นมาลักษณะต่างๆก็หมุนกระสู่กระแสของสังสา ร, รวัฏนี่จะเห็นได้ว่าจากการมองในจุดใดจุดหนึ่งที่ ปริญบุคคลทั้งหลายท่านมองและตามที่ผู้เจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นั้นข้อสําคัญว่าให้จับได้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วต่อไปก็จะเกิดความเข้าใจเองก็จะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในความทุกข์ซึ่งตนกำลังประสบอยู่การมองเห็นเป็นความทุกข์นั้นก็ขึ้นอยู่กับภูม่มธรรมภูมิปัญญาของท่านเหล่านั้นเพราะท่านสามารถจะมองเห็นได้ลึกซึ้งขนาดไหนเพียงใด อยงแนวอนาตาที่ทรงแสดงแก่ท่านโมกกระจะมากราบทูลถามว่าขาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระโพลงจะมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะไม่ตามทันหรือพูดง่ายๆว่าไม่เข้าสู่ความตายพระเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนโมกกะระเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างว่างจากอะไรว่างจากเราว่างจากของที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรา เพราะอะไรเพราะความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายเวยนภัยอันตรายทั้งหลายความกระตรุ้นมีตักังวลทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากเรากระสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราให้ลองสังเกตว่าคนทั้งหลายประสบความทุกข์เป็นนั่นมากแต่ก็ไม่เชื่อมมาถึงเราคือไม่เป็นตัวเราไม่เป็นคนที่เกี่ยวเนื่องกับเราแต่เราก็ไม่เอื้อมเข้าไปเป็นทุกข์กับคนเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่า คนเหล่านั้นมีความเราเรารู้สึกมันเกี่ยวเนื่องกับเราไม่ต้องอะไรให้ลองสังเกตว่าบางทีมันเป็นลักษณะของอุปาทานเช่นเอาลูกหลานไปฉีดยาพอหมอเริ่มแทงเข็มลงไปที่ลูกหลานแต่นั้นเองคุณพ่อคุณแม่คุณญาตคุณยากณ ย, า ก, ยาก็พลอยปวดไปด้วยก็ทําหน้าปวดไปด้วยนี่เพราะอะไรเพราะใจไปรู้สึกผูกพันว่าเป็นของเราแล้ว ถ, ถามจริงๆว่าเจ็บหรือเปล่าตัวเองก็ไม่ได้เจ็บหรอ แต่มันเกิดขึ้นจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั้นในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราถ้ายึดมั่นถือมั่นมากความรู้สึกสับสนความรู้สึกกบดแข่งก็จะเป็นไปได้บ้างแต่แนวสอนอนุตาที่พระโมกคัลราชท่นทรงสอนในลักษณะย่อยคือมองในแง่ของความเป็นของว่างที่จริงก็คือการเกาะกลุมมตามแนของทุกขสัตว์นั่นเองเพราะเริ่มต้นจากการไม่มี แล้วพอเหตปัจจัยก็ให้มีมันก็มีขึ้นเหตุปัจจัยยังกาะคุ้มคุ้มกันอยู่ความมีมันก็ปรากฏแต่ก็มีทำกลางความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนพอถึงจุดหนึ่งปัจจัยหลักแยกสลายปัจจัยอื่นก็เสื่อมสูงตามไปด้วยเขเรียกว่าตัวเหตุมันดับไปปจัจจัยเราอื่นก็ดับไปตามทเทนชีวิตของบุคคลเรานี้ถ้าบอกว่าในลมหายใจเป็นตัวกายกายสังขารเป็ตัวปลนปลือยอยู่ ร่างกายเราจะแข็งแรงยังไงก็ตามจะสวยงามอย่างไรก็ตามวันใดวันหนึ่งพอลมหายใจหยุดก็จบปัจจัยทั้งหลายก็ต้องแหลกสลายตามเหตุไปด้วยเพราะเหตุมันเกิดสลายขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงที่จะดับที่จริงเราก็ไม่รู้มันดับเมื่อไรแต่เขาก็พร้อมที่จะดับอยู่ทุกขณะเพราะการมองในแนวย่อยสัตว์ได้สังขารออกไป ก็จะมองเห็นว่าไม่มีอะไรจริงๆอย่างที่ท่านแสดงไว้ในตอนสุดท้ายว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเชตุลของเราซึ่งก็หมายความว่าทั้งรูปเวทนาตัญญาตัญขานวิญญานันแหละ mm hmm. เอาก็จริงถ้ามองตามหลักของปรรัจจัยลักษ์แล้วมันก็ไม่เป็นของเราจริงๆเพราะถ้าเป็นของเราจริงๆก็ เราก็ต้องวงการให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้อย่าแกน่นะาอย่าเจ็บน้าอย่าตายน้อยา่าพลาดพลาดหน้าอย่าสูญเสียหน้าอย่าเสื่อมน้ให้สวยงามอยู่ตลอดไปหน้าอะไรแต่ใดกินข้าวแล้วจะหิวหน้าอะไรเนี่ยมันบั değil, งคับไม่ได้เลยสักอย่างถ้าเป็นของเราเราก็บงการได้บังคับได้ทําให้เป็นไปตามที่เราต้องการทําได้แต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นของเราจริงๆคนยิ่งมีการขวายคว้าปรารถนาถือครองยึดครอง สิ่งต่างๆไว้มากเท่าไรจะมีสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามากขึ้นทั้งนั้นแต่ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือทุกนั้นจะเพิ่มขึ้นทำไมยังเพิ่มขึ้นเพราะปัญญาไม่ปรากฏขึ้นภายในจิตทำให้เกิดการยึดติดว่ามันเป็นของเราในสุดใจมันก็สายไปสูปส่อารม์นั้ น, น, นซึ่งบางครั้งอาจจะอยู่ไกลตัวอยู่ในที่หนึ่งใจก็ไปเกาะไปยึดอยู่ในที่ต่างๆ ในอาคารสถานที่ในที่ดินในเรื่องสวนไร่านาในดูกในหลานในทรัพย์สินเงินทองในเพื่อนฝูงเป็ต้นเพราะฉะนั้นที่จะให้เกิดความสงบก็สงบได้ยากแต่นั้นถ้าจึงสอนให้มองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีปัญญาเห็นประจักรู้เท่าทันปรับใจสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเดล่านั้น ซึ่งแสดงอาการที่แท้จริงเขาออกมาทั้งที่ตัวเราแล้วก็ข้างนอกแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นที่บอกแล้วว่าอัตต า, าตาัณยาคือเรากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องในเรานั้นมีอิทธิพลในสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลได้มากส่วนอย่างอื่นมันก็จะงั้นๆแต่เราก็ไม่มีส่วนรับรู้อะไรเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาเราก็ไม่รู้อะไรเขาะมันไม่ได้กระแทกกระทันใจที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือใจเราไม่รู้สึกผูกพันว่าเป็นเราเป็นของเรา คำว่าปัจสติก็คือเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นธรรมดาก็ไม่เที่ยงไปแล้วสิ่งที่เป็นทุกข์ก็แสดงอาการออกมาแล้วสิ่งที่ไม่มีไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ปรากฏความจริงออกมาแล้วก็ปรับใจให้ยอมรับถึงสิ่งเหล่านั้นที่บังเกิดขึ้นเราจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเราไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านั้นจริงๆง แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรก็เราจริงๆจิตใจก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำนัดในสิ่งเหล่านั้นอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ถึงก็เสียสูดสามารถทำใจให้มีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจในลนักษณะรู้เท่าทันดังกล่าวได้ขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องนี้ท่านจึงเรียงขึ้นไปโดยลำดับที่เรียกว่านิพิทาวิราฆะวิมุตติสุตสันตินิพพาน ซึ่งจุดเริ่มต้นที่สําคัญจากการเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วเกิดเบื่อหน่ายอจากความเบื่อหน่ายความเห็นก็ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นใจก็จะคลายกับหนัดภาคยิ่งขึ้นความไปสุดหมดจดก็จะเพิ่มขึ้นตามสีควรแก่การประฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป